ใจภาวนาเห็นกิเลสบ่อยขึ้นบ้างละตอนนี้มีไมคนไหนรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปมีไหมคนไหนรู้สึกว่าถือศีลง่ายขึ้นมีไมทำสมาธิง่ายขึ้นมีไหแยกธาตุแยกขันได้คนไหนแยกได้บ้างโอ้ากเยอะนะท <c oughs> ีนี้เราวัดความก้าวหน้านะในบทสวดมนต์มีบทบทธรรมคุณ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 พระโสดาบันเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เห็นนิพพานนะเป็นพระโสดาบันปุถุชนไม่เคยเห็นนิพพานเลยเพราะปุถุชนนั้นหลงอยู่ในโลกของความปรุงแต่งปรุงชั่วบ้างปรุงดีบ้างปรุงว่างว่างความปรุงมีสามปรุงชั่วเรียกว่าอปุญญาพิสังขารปรุงดีเรียกว่าปุญญาพิสังขารปรุงว่างว่างเรียกอเนญชาพิสังขารความปรุง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 ใจเป็นโลบนะให้รู้ทันใจที่โลบแล้วก็ทำในรูปแบบไปอย่างแท้หนูทำสมาธิอยู่นะคะแล้วขนาดที่ทำเนี้ยค่ะหนูเห็นตัวเองเนี่ยมันหลับตลอดเวลานี้เท่ากับ ว, ว่าหนูไม่ได้สมาธิแต่หนูกลายเป็นว่าหนูหลับอย่างมีสติใช่ไหมคเ้ค่ะดีนะแล้ว <laughs> แปลว่าอันนี้มันเอามาใช้ในการเป็นรูปแบบได้ไหมเจ้าค่ะได้